แปดสิบห้าเยนบัตติอิ น, อนดอคำถามอดีตการหนึ่งเข็มวิกฤ்ยันดาคอลมโอนรคุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วนิ่งกันเยบ ள ลาเวคดิทีรก ள ் คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วนิิงกอลเยอะแยะเลยสิดีกลคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วนิิงกอลเยอะแยะเลยสิดีกลคุณนอนหลับสบายไหมนิิงกอลเยอะแยะเลยสิดีกลคุณสอบผ่านได้อย่างไร นิ่งกันเ ப ปปดีเพริกเชยิลเตจชีอะไรนี่หรือใคคุณหาทางพบได้อย่างไร நீங்கள் எப்படி வ ัி க ண ค ட ு ப ி ட ุ த ் த ீ ர ் க ள ்คุณพูดกับใครมา நீங்கள் ய ா ர ுดันเฟสีนี่หรคุณนัดกับใครมา ค, ค, คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมาคุณไปอยู่ที่ไหนมานน ค, คุณเคยอยู่ที่ไหนมาคุณเคยอยู่ที่ไหนมา คุณเคยทำงานที่ไหนมานิ่งกันยังก์เวลีสิดีกันคุณแนะนำอะไรไปแล้วนิ่งกันยันนาการตุสนีร์กันคุณทานอะไรมานิ่งกันยันนาซอฟต์วิตตีร์กัคุณได้พบอะไรมา นน ค, คุณขับรถมาเร็วแค่ไหนนิ่งกัลเยอะบดบวมเว่ยกมัวค่ะวันดีวันตีตน ค, คุณใช้เวลาบินนานเท่าไรนิ่งกัลเยอะบดบวมเนรำปารันตีร์กัลคุณกระโดดได้สูงเท่าไรนิ่งกัลเยอะบดบวมวยิยารมกุดิตีร์กั